แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมักกิยามิคหกองค์การที่ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์และพ้นจากการตั้งภาธีและการหลงทางพวกเขาบูชาจเจวตได้เรียกร้องท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมไปสู่การทำสัญญาสงบศึกและเรียกร้องท่านให้สการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกยอนุฮจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าโอบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายลาาอบบุุดดมู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 และพวกเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันคารพภักดีละกุมดดีีสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน